การข้ามบุญอุทิศดีขยามเพิ่นยามพระเพิ่นสวดเนี่ยย่ำพระเพิ่นสวดชักอานิชาก็ดียามเพิ่นไห่ป้อนกด็ดีให้คุดเห็นหนาเดียให้คุดเห็นหนาอุทิศห้าอทิอุทิศบุญกุศลไปให้หละ่ะห้าตั้งใจยืดลำลึกดีๆคุดไปเห็นหนาเพิ่น ก้มดีใจเบิกบานใจเข้าใจเข้าดีใจเข้าเป็นบุญคุณสนนั่นแหะโน้มใจใสให้คนนี้วามเบิกบานให้คนนีคว้มค่มก้มเย็นก้มเบิกบานนั่นแหละในใจคือจังคือกันเข้านี่คือว่าในใจมันดีใจจะเั็นคือเข้าเยอว่าเดิมคือเป็นจัง ถ้าสมมุติว่าคุติเข้าแย่จนสุดนไปนั่นคนยั่งยืนยืนพบคุ้มที่พ่อรับได้หรืรับได้เน้ยแตนสมมุติว่าคนคนตายแล้วเนี่ยมาอันซุ่มตายแล้วบ่ท่านบ่ท่านใสไก่เนี่ยบ่ท่านโดนปันใดเนี่ยโดยมากมักสะว่นเยียนอยู่ร้อนนั่นซะก่อนนะอันที่ ต, ตายแล้วไปเกิดแล้วนี่ยแมนอยู่ดอกตายจากนี้ไปเกิดขึ้นผี แมนอีริยอยู่แต่ว่าพอท่านไปใส่ยูร่านั่นโดยเฉพาะคนตายปัจจุบันท่านดวนนั่นแะบอท่านไปง่ายคว่มือซือของเขาตอนวางตายทำไมกุงแงมันเก็บปึบเปลียยนอะก็ม่เกิดกุ้งแของลุกยางกองแกงองแกงออกไปเหือเบาสมบัติอ่าเดียวอะไรยางไปยังมหาเลาะนั่นเลาะนี่ไปทักไข้ทุนันทุนีอยู่ อ้เขาเขาเบาๆนัางคันอย่งนั้นเช่ว่นไปวนมาเอา้าผู้ณนี่เบ า, านั่งกูไปหาพวกคุณก็ได้ยังสิว่อนไปวนมาหลายมืออยู่เพราะฉะนั้นกันเท่าทําบุญอุทิศไปตอนนั้นเพราว่าเออทําบุญอุทิศในเจ้าเดอ้อคุณนี่คุณนั่นนีเขาหลับหลูอเู่หลับหลูอยู่อันนี้นส่วนผสมสนนี้เขาบอกว่ า, น, านั่งค้นถึงแก่กรรมแล้วแต่จิตจิต พ่วงพันอยู่ต้เรื่องอันยุ่ยใหญ่สุนนี้เญ่ใส่ว่าได้รับรู้แล้วก็นี้ยังผู้สืเพันท่านบุญไปหลายๆแล้วกิจเสกของเพันเป็นบุญมันสูงแล้วเขามดหาดปั้กันนี่เลยไปยุ่พุ่นรวดว่าได้รับรู้น้าเฒ่าดอกอันจุ้มรับรู้รับผู้รับเข้าว่าวิ่งอุทิศไปเนี่ยเข้าใจน้อมไปเนี่ยมันมันเสียงดังดังกัวว่าวาดังตังวห้องเสียงใจเนี่ย เหานเยเจาะดีนิดอยู่นี่แหละเท่ากับเคือซุมนี่แหะซุ้มติดปุ่มป่ท่านไปนีวัตรคาบุนคาบุนเลี้ยงอยู่เท่ากับพิษฮอดใจคิดฮอตพิษเทนนาพิษเ็นวาดเ็ด น, น, น, น, น, นต่งสัญญาณเดียวกันนะคนนั่งอยู่จังไดจังสี่แหละใตเสือพาสัยังเท่ออกากับพิษไปี่ฮอดยุ่อันนี้มีโอกาสไปถึงใดฮอตใจัปถึงใดอยู่นั่นแหะ อันนี้นี่เป็นเรื่องที่เขาเดี๋ยวโบเห็นแต่ว่าเข้ากับยาประมาทมันมีหลายแน่วอ่ะเข้าบบเห็นแล้วมันมีอยู่อะมันมีหลายแน่วอยู่หลายอย่างอยู่สี่เข้าโบเห็นเข้าเข้าก็เห็นแต่ว่ามันมีอยู่เข้ากับหลับอยู่ว่ามันมีนั่นเอะพี่จังเสือโลกบอกยังกินอ่ะพี่จังเสือโลกเข้าก็บพอท่นเห็น ทำไม่รีสาเข้ากับเพราะเส้เนเห็นพลังพ่ะเฮ้าก็ยังรับว่ามันมีอยู่ท่างท่านแหละคือ ย, ยังอากาศเขา้าไปเหลียวบริเวณแต่เขาก็คุดจัว่ามันมีอยู่ทังท่านแหละคือว่าสิ่งต่างๆเข้าได้ยินิเดีย๋ยฟังมากมนะจ๊ะบอกประมาท่ะรับฟังไปงนะบอกไปลบลูเขาบอกว่า ไม่เชื่อก็อย่าลบดนะูนะครับเพราะว่ามันผู้เห็นผู้มีมันมี่อยู่การทำบุญทำกุศลหนึ่งคลิปไปเนี่ยผู้ที่เขารับได้นี่อีหรีนะหลายท่านหลายองค์ผู้บาอาจารย์เพื่อสบพบเห็นมากได้รับอีหรีได้เพราะฉะนั้นเป็นบุญได้ดอาจารย์เนียมอย่านีู้่บม มากระเพยหูหูได้ยินบ้หนะ่หูน่ะได้ยินอยู่เนาะได้ยินอยู่เนาะเออวันนี้มาพักไหม ตกลงอาจารย์เนียมไม่คงจะเป็นผู้อาวุโสเกือบสูงสุดนี่อยู่ในวัดตรง น, นี้เพราะว่ามีคุณแม่น้อยอีกคนหนึ่งอันนั้นเก้าสิบห้าคงจะสูงกว่าอาจารย์เนียมเนี่ยอาจารย์เนียมเท่าไหร่ฮะเก้าสามโอได้ที่สองอาจารย์เนียมได้ที่สองเน้อ คุณไม่คีน้อยได้ที่หนึ่งมาต่อขออนุโมทนาอุตส่าห์มาโอ้พากย์ใส่สตวมีบุญอยู่หรอกแก่เท่าแล้วก็ยังมีลูกมีหลานพาไปพามานี่ดีอยู่มีบุญหลายอมีบุญหลายกว่าหลายคนอยู่ที่นี่เนอะขอให้มีความสุขความเจริญความโดยเฉพาะความวามุ่งเย็นให้ภาวนาเก่งด้วย อ๋ออ๋อหลับขอบนี้ได้นน <c oughs> ชักบางสุขุนทำบุญอุทิศอ่าทำบุญอุทิศขุนศรีวราระกับคุณแม่ทิศน่ะนี่ผู้ที่เป็นเจ้าภาพทำบุญนี่ก็อย่างที่พูดนั่นแหละให้ล้ำลึกถึง จำลึกถึงท่านจำลึกเห็นรูปของท่านเห็นหน้าเห็นตาของท่านเห็นท่องท่าเดินไปเดินมาของท่านอย่างนี้แหละก็เป็นทางที่จะส่งบุญกุศลไปถึงได้